จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2ี่สกรกฎาคมพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาทำบุญสร้างกุศลเพราะเป็นช่วง เทศกาลเข้าพรรษาเป็นเวลาที่พุทธศาสนิกชนจะให้ความสำคัญต่อการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมากกว่าตามเวลาปกติเพราะบุญกุศลนี้มีความจำเป็นมีความสำคัญต่อความสุขและความเจริญของจิตใจอาหาร ที่มีความจำเป็นมีความสําคัญต่อความเจริญติบโตต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของร่างกายฉันใดบุญกุศลก็มีความจำเป็นต่อจิตใจฉันนั้นอาหารมีชนิดต่างๆกันฉันใดบุญกุศลก็มีชนิดต่างๆเช่นเดียวกันบุญจึงไม่ได้อยู่ที่การให้ คือทานเพียงอย่างเดียวบุญอยู่ที่การรักษาศีลไม่เบียดเบียนเนพื่ออืน่นด้วยอยู่ที่การบําเพ็ญภาวนาทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้สว่างด้วยปัญญาบุญอยู่ที่การอุทิศบุญส่วนกุศลเวลาเราทําบุญแล้วเรามีบุญ เราสามารถแบ่งบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้แต่เราไม่สามารถแบ่งให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้บุญอุทิศนี้จะมีไว้หรือเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเท่านั้นถ้าไปเกิดในนรกก็ไม่สามารถรับบุญได้ถ้าไปเป็นเดรัจฉาน ก็ไม่สามารถรับบุญได้ถ้าไปเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรห ม, รมก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรอรับบุญอุทิศเพราะบุญอุทิศนี้เป็นบุญที่เล็กน้อยเราทำร้อยหนึ่งนี้เราอุทิศได้เพียงส่วนเดียวเท่านั้นเพราะนี่คือธรรมชาติของบุญอุทิศแต่จะเป็นประโยชน์มากกับบุคคลที่ เป็นเปรดอยู่เพราะเขาจะได้อาศัยบุญอุทิศนี้เป็นอาหารเป็นค่ารถค่าเรือพาให้เขาได้ไปเกิดที่ดีต่อไปนี่คือบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเวลาอุทิศก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำไม่ต้องกรวดด้วยน้ำการกรวดน้ำนี้เป็นเพียงการแสดง เปรียบเทียบตัวอย่างของบุญว่าบุญนี้เหมือนกับน้ำเวลาเราอุทิศเราก็เทน้ำใส่ภาชนะลงไปคือเราอุทิศบุญจากใจของเราไปสู่บุคคลที่รอรับอยู่แต่น้ำนี้จะก็เป็นน้ำอยู่เช่นเดิมเป็นเพียงการสาธิตให้เห็นว่าบุญนั้นเป็นลักษณะอย่างไร เป็นการเปรียบเทียบว่าบุญนี้เป็นเหมือนน้ำเวลาเราอุทิศบุญก็เหมือนกับเราเราเทน้ำใส่ใสไปในภาชนะดังนั้นถ้าไม่มีน้ำก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องสำคัญอะไรเรื่องที่สำคัญก็คือเราต้องมีบุญถ้าไม่มีบุญก็อุทิศไม่ได้เหมือนกับเราไม่มีบุญเราก็ไปซื้อของไม่ได้ ไม่มีเงินก็เอาเงินไปให้คนอื่นไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทาบุญก่อนเมื่อทาบุญแล้วถ้าอยากจะอุทิศให้ผู้ผู้หนึ่งผู้ใดเราก็สามารถอุทิศได้แต่ผู้ที่เราอุทิศนั้นจะรับได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับฐานะของเขาว่าเขาอยู่ในฐานะใด หังที่พูดไว้ถ้าไปตกนรกไปเป็นเดรัจฉานก็จะไม่อยู่ในฐานะที่จะรับได้ถ้าเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์ก็มีบุญมากกว่าที่บุญอุทิตจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรอรับบุญอุทิตแต่ถ้าทราบก็จะยินดีอนุโมทนาในความปรารถนาดีของผู้ที่อุทิต ส่วนผู้ที่อุทิศนั้นเมื่ออุทิศบุญแล้วก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกก็ได้บุญเพิ่มขึ้นอีกคือความสุขใจคือตอนเองมีความสุขแล้วแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นการแบ่งปันความสุขนี้ก็จะทำให้เกิดความสุขเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนี่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญ ก็คือแสดงความยินดีต่อการกระทำบุญของผู้อื่นเช่นเช่นวันนี้มีคนมาทำบุญที่วัดเขาไปบอกเราว่าเขาได้มาทำบุญเราก็แสดงความอนุโมทนาแสดงความยินดีไปกับเขาชื่นชมยินดียกย่องสรรเสริญเขาว่าเป็นการกระทาที่ดีถ้าเรา มีอยากจะมีส่วนร่วมเราก็สามารถฝากเงินฝากทองฝากข้าฝากของมาร่วมได้ถ้าเราไม่สามารถมาที่วัดเองได้หรือในช่วงออกพรรษาจะมีงานท่ากระถินงานผ้าป่ามากถ้าเราไม่มีเวลาพอที่จะไปตามงานต่างๆ ถ, ถ้าเราอยากจะร่วมบุญอนุอมุอนุโมทนาบุญเราก็สามารถ ฝากปัจจัยฝากของต่างๆไปร่วมกับการทำบุญได้ก็จะเป็นบุญเช่นเดียวกันบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นการรับใช้ผู้อื่นก็คือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เป็นผู้ฐานะเท่ากันก็ได้เป็นผู้น้อยก็ได้ถ้าเราเห็นว่า เราสามารถที่จะรับใช้เขาได้ช่วยเขาได้ทำให้เขามีความสุขได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทาบุญเหมือนกันบุญการกระทาบุญนี้ไม่ได้อยู่ว่าจะต้องเป็นพระอย่างเดียวไม่จำเป็นจะต้องรับใช้พระาศาสนารับใช้พระภิกษุสำมเนิน เ, เพียงอย่างเดียวเรารับใช้ผู้อื่นได้ พ่อแม่ของเราเราก็รับใช้ได้ปู่ย่าตายายครูบาอาจา ร, ย, ร, ารนนาย์เราก็รับใช้ได้เพื่อนสนิทมิตรสหายเราก็รับใช้ได้คนที่เล็กกับเราลูกเราหลานเราเราก็รับใช้เขาได้ช่วยเหลือเขาให้เขามีความสุขนี่ก็เรียกว่าบุญอีกอย่างหนึ่งบุญอีกประการหนึ่งก็คือการเป็นผู้มีความ อ่อนน้อมถ่อมตนมีความมีสัมมาคารวะรู้ที่สูงที่ต่ำรู้จักว่ายรู้จักกราบรู้จักถ่อมเนื้อถ่อมตัวไม่เบ่งไม่อวดเก่งคนอวดเก่งนี้ไม่ได้บุญคนที่ไม่อวดเก่งนี่แหละได้บุญเพราะการอวดเก่งนี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของอัตตาตัวตนการถ่อมเนื้อถ่อมตนนี้เป็นการ กำจัดตัวตนให้มันเบาบางลงไปหรือให้มันหดหายไปเพราะตัวตนนี้เกิดจากความหลงไม่ใช่ความจริงความจริงไม่มีตัวตนถ้ามีปัญญาจะรู้ว่าไม่มีตัวตนถ้ายังยึดถือในตัวตนยังอวดแก่งอวดดีอยู่แสดงว่าเป็นคนโง่มากเป็นคนหลงมากเพราะไม่รู้ว่าตัวตนที่ตนเอง คิดว่ามีนั้นเป็นเพียงจินตนาการเท่านั้นเองเป็นความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ในใจเราว่าเรามีตัวมีตนเท่านั้นเองแต่ถ้าลองศึกษาเข้าไปลึกๆภาวนาเข้าไปลึกๆจนเข้าไปถึงขัวของหัวใจแล้วจะเห็นว่าไม่มีตัวตนอยู่ในหัวใจใจนี้เป็นเพียงธาตรู้เป็นผู้รู้เท่านั้นเอง เป็นธรรมชาติที่ทำหน้าที่รับรู้เรื่องต่างๆเช่นเรื่องที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเข้าไปสู่ใจใจก็รับรู้ว่าออมีเรื่องนี้เข้ามาแล้วมีรูปนี้เข้ามามีเสียงนี้เข้ามามีกลิ่นมีรสมีอะไรต่างๆเข้ามาหรือมีความคิดต่างๆปรากฏขึ้นในใจ ถ้าไม่มีใจก็จะไม่สามารถรู้เรื่องราวต่างๆได้เช่นคนตายนี้ไม่มีใจไปพูดกับคนตายเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาจะไม่ตอบเราถ้าถามปัญหาเขาว่ากินข้าวหรื อ, อยังถามไปจนวันตายเขาก็จะไม่ตอบเราเพราะเขาไม่มีใจผู้รู้อยู่นั่นเองผู้รู้นี่แหละเป็นผู้ที่ที่ตอบรับคำถามของเรา รู้นี้เป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่างๆได้แต่ผู้รู้นี้ไม่ใช่ตัวตนตัวตนนี้ไม่มีได้จากกวาลตัวตนนี้มีอยู่แต่ในความหลงเท่านั้นอยู่ในโมหะอยู่ในอวิชชาผู้ที่หลงยึดติดตัวตนคิดว่าตัวตนดีตัวตวนวิเศษนี่เป็นผู้ที่มีความหลงจะไม่มีทางที่จะ พบกับความสุขกับความเจริญได้เลยเพราะเมื่อมีตัวตนแล้วก็จะหงุดหงิดกับเรื่องของตัวตนเวลาคิดว่าอย่างนี้ดีถ้าคนอื่นไม่เห็นดีตามก็จะหงุดหงิดถ้าคิดว่าตนเองเก่งแล้วคนอื่นไม่เห็นว่าเก่งตามก็จะหงุดหงิดจะไม่สบายใจแต่ถ้าทำเป็นเพียงแต่ตัวรู้ว่าไม่มีตัวตนรู้ว่าตนฉลาด ก็ดีรู้ว่าตนโง่ก็ดีก็รู้ว่าเป็นเพียงแต่ความฉลาดและความโง่ไม่มีตัวตนที่โง่หรือฉลาดใครว่าเราโง่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะตัวรู้เพียงแต่รับรู้เท่านั้นไม่ได้แสดงเป็นตัวรักออกมาแต่ถ้ามีความหลงแล้วตัวตนก็จะออกมารับแทนตัวรู้ใครว่าอะไรหน่อยตัวตนก็จะ ออกมารับทันทีถ้าว่าดีก็ดีอกดีใจถ้าว่าไม่ดีก็โกรธเสียอกเสียใจแต่ถ้ามีแต่ตัวรู้อยู่เฉยๆสักแต่ว่ารู้มันก็จะรู้เหมือนกับเหมือนกับไมโครโฟนอันนี้พูดดีไมโครโฟนมันก็รับเสียงเข้าไปพูดไม่ดีมันก็รับเสียงเข้าไ ป, ไาไปแต่มันจะไม่มีความรู้สึกอะไร กับเสียงที่เข้าไปในไมโครโฟนมันจะไม่มันจะไม่แยกแยะมันจะไม่รังเกียจเวลาพูดไม่ดีมันจะไม่มันจะไม่วิ่งหนีมันจะไม่ถอยหนีเวลาพูดดีมันก็จะไม่วิ่งเข้าหาแต่ถ้าใจมีตัวหลงอยู่แล้วมีตัวตนขึ้นมาแล้วเวลาใครพูดดีก็ดีอกดีใจอยากจะให้เขาพูดดีไปเรื่อยๆ เวลาใครเขาพูดไม่ดีก็เกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเกิดความเสียใจอยากจะให้เขาหยุดพูด <c oughs> ก็จะมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลานี่แหละการที่ทําตนให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนก็เพื่อที่จะกําจัดตัวหญิงยโสตัวหลงที่คิดว่าตัวตนว่ามีตัวตนนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่ง บุญอีกประการหนึ่งก็เกิดจากการได้ยินได้ฟังเทศฟังธรรมเพราะเราฟังธรรมนี้เท่ากับเราได้รับการถ่ายทอดปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจของเราถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่ได้รับปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสู้เช่นวันนี้เราก็ได้ยินถึงเรื่องบุญต่างๆที่มีความจําเป็นต่อชีวิตจิตใจของเรา ถ้าเราไม่มีโบนแล้วต่อให้เรามีเงินกองเท่าภูเขาเราก็จะหาความสุขไม่ได้เพราะเงินทองนี้ให้ความสุขใจไม่ได้ให้ได้ก็เพียงแต่ความสุขกายให้มีอาหารมียารักษาโรคมีเสื้อผ้ามีบ้านอยู่เท่านั้นเองแต่จะไม่สามารถทําให้ใจมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจได้ถ้าไม่นําเอาไป สร้างบุญสร้างกุศลนี่คืออนิสงม์ของการฟังเทศฟังธรรมเมื่อเราฟังแล้วเราก็จะเกิดความฉลาดเราจะรู้เหตุที่จะทำให้เรามีความสุขใจเราจะรู้เหตุที่จะทำให้เรามีความทุกข์ใจเมื่อเรารู้เหตุแล้วแล้วเราสามารถสร้างเหตุที่ดีได้ระงับเหตุที่ไม่ดีได้เราก็จะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์ มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเรานี่ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งเพราะฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วทำให้มีความสงบความสงบนี่คือความสุขของใจอีกประการหนึ่งก็คือการมีความเห็นที่ถูกต้องก็คือเรารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วรู้ว่ากรรมมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริง น, นรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนี่คือความเห็นที่ถูกต้องถ้าเราไปเห็นตรงกันข้ามกับความจริงแล้วก็จะเป็นความเห็นผิดเรียวกว่ามิจฉาทิฐิถ้ามีความเห็นผิดก็จะพาเราไปสู่ไปสู่ความผิดต่างๆเหมือนกับเราขับรถแล้วเราเห็นป้ายบอกทางแต่ป้ายนี้เขาเขียนผิด แทนที่จะชี้ไปทางซ้ายกับชี้ไปทางขวาเช่นเราจะไปกรุงเทพออกไปทางปากทางวัดวัดยานแล้วป้ายเขียนไปกรุงเทพแต่ชี้ไปทางซ้ายแทนที่จะชี้ไปทางขวาถ้าเราไปตามป้ายไปทางซ้ายเราก็จะไปไม่ถึงกรุงเทพป้ายบอกทางนี้ก็เป็นเหมือนกับความเห็นความเห็นนี้มีทั้งถูกและผิดถ้าเป็นความเห็นที่ถูก ก็จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกถ้าเป็นความเห็นที่ผิดก็จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ผิดเช่นถ้าเราเห็นว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีเราก็จะไม่สนใจต่อเรื่องการทำบุญเราก็จะไม่เกรงกลัวบาปเราจะคิดว่าตายแล้วก็ศูนย์ก็จบไม่มีอะไรที่จะตามมาอีกต่อไป ไม่ต้องไปเกิดใหม่เมื่อไม่ต้องไปเกิดใหม่ก็ไม่ต้องไปรับใช้กรรมไม่ต้องไปใช้บุญไบรับบุญแต่นี่เป็นความเห็นผิดเนื่องจากเราไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นผู้ที่จะไปรับผลบุญก็คือใจใจเป็นส่วนที่ละเอียดละเอียดกว่าที่ตาเนื้อของเราจะเห็นได้เหมือนกับคลื่นโทรศัพท์มือถือมันเป็น สิ่งที่ละเอียดกว่าที่ตาเนื้อของเราจะเห็นได้แต่เรารู้อยู่ว่ารอบตัวเราในขณะนี้มีคลื่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าไม่มีเราจะรับสายไม่ได้เราจะโทรออกไม่ได้ฉันใดใจของเราก็เป็นเหมือนกับคลื่นโทรศัพท์มือถือนี้เรามองไม่เห็นแต่เราก็ต้องรู้ว่าถ้าไม่มีใจ ร่างกายเราก็จะนั่งอยู่อย่างนี้ไม่ได้จะฟังไม่รู้เรื่องร่างกายเราก็จะต้องเป็นซากศพไปอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไม่มีใจอยู่ใจนี่แหละที่จะเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลกรรมใจนี่แหละที่จะเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกนรกหรือสวรรค์นี้ไม่ได้เป็นสถานที่นรกหรือสวรรค์นี้เป็นสภาพของใจ ใจเย็นใจสงบใจสุขนี่เรียกว่าสวรรค์ใจร้อนใจทุกข์ใจกังวลใจวุ่นวายเรียกว่านรกไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนกับกรุงเทพหรือพัทยาหรือวัดยานแต่เป็นสภาพของจิตใจที่เกิดจากความคิดของใจที่เกิดจากการกระทําของใจถ้าคิดทําบาปแล้วไปทําบาปทํากรรมใจก็จะร้อนขึ้นมาเป็นนรก ถ้าคิดทำบุญแล้วไปทำบุญก็จะทำให้ใจนี้กลายเป็นสวรรค์ขึ้นมาแต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เราจะมีนรกและสวรรค์สลับผัดเปลี่ยนกันไปเพราะเราคิดอยู่เรื่อยๆเราเปลี่ยนเรื่องคิดอยู่เรื่อยเวลาเราคิดดีก็เป็นสวรรค์เวลาที่เราคิดร้ายก็เป็นนรกแต่พอเวลาเราตายไปแล้วตอนที่เราตายไปนั้นน่ะ เราจะคิดดีหรือจะคิดร้าเท่านั้นเองถ้าเราคิดร้ายพอออกจากร่างไปใจก็จะเป็นนรกไปเป็นเวลายาวนานเพราะตอนนั้นใจจะไม่เปลี่ยนเรื่องคิดจะคิดแต่เรื่องร้ายไปเรื่อยๆจนกว่าเรื่องร้ายต่างๆที่มีอยู่ในใจนั้นมันหมดไปนรกถึงจะหมดไปได้เ <l oss> ช่นเดียวกับความคิดที่ดีต่างๆที่เราได้สะสมได้ทํากันไว้พอถึงเวลาตายไป ถ้าเราคิดดีตอนที่เราตายไปใจก็จะเป็นสวรรค์ไปเรื่อยๆจนกว่าความคิดดีต่างๆที่เราได้สะสมไว้ในใจนั้นมันหมดไปเมื่อหมดไปแล้วเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ว่าจะไปตกนรกหรือว่าจะไปขึ้นสวรรค์ก็ตามมันก็ไม่ถาวร น, นรกก็ไม่ถาวรสวรรค์ก็ไม่ถาวรเมื่อหมดกรรมหมดบา มันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เมื่อหมดเมื่อหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกก็มาสร้างบุญสร้างบากปกันม่อีกถ้าไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาแต่ถ้าได้เจอพระพุทธศาสนาอย่างที่พวกเราได้เจอกันในในชาตินี้เราก็รู้แล้วว่าต่อไปนี้เราทำบาปไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะไปตกนรก ถ้าเร า, าไม่อยากจะมีจิตใจที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความวุ่นวายเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำบาปเราต้องไม่คิดร้ายเราต้องพยายามคิดดีเสมอคิดอยู่ในกรอบของบุญที่ได้แสดงมาเช่นคิดให้ผู้อื่นคิดไม่เบียดเบียนผู้อื่นคิดทำใจให้สงบคิดให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆในโลก ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดอย่างนี้แล้วจะทงให้ใจนิสสสมความคิดที่ดีไว้เหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารนั่นเองส่วนถ้าคิดบาปคิดร้ายก็เป็นเหมือนกับไปกู้หนี้ยืมสินที่ธนาคารที่เราจะต้องเอาไปชดใช้ต่อไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกมันทําบุญอยู่เสมอมันคิดดีอยู่เสมอ เพราะเวลาเราทำบุญเราก็จะคิดดีเช่นวันนี้เรามาทำบุญให้ทานเราก็คิดดีเราไม่ได้คิดไปยิงนกตกปลาไปเล่นการพนันไปเบียดเบียนผู้อื่นไปลักเล็กขมโมยน้อยอย่างนี้เพราะว่าการทำความดีนี้มันออกมาจากความคิดดีนั่นเองถ้าเราทำดีอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปใจเราจะคิดแต่สิ่งที่ดีที่งามเสมอจะไม่คิดอิจฉาลิษยา จะไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นผู้อื่นจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเพราะเราเชื่อในหลักกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครทำดีก็ได้ผลดีไปใครทำชั่วก็ได้รับผลชั่วไปไม่ได้อยู่ที่เราเราไม่สามารถให้ความดีหรือความชั่วแก่ผู้อื่นได้ เราให้ความดีกับความชั่วกับตัวเราได้เท่านั้นเองกับคนอื่นเราให้เขาไม่ได้ถ้าให้ได้ปนันี้พระพุทธเจ้าก็ให้เราไปถึงพระนิพพานกันทุกคนแล้วเพราะพระพุทธเจ้ามีพระนิพพานท่านมีความดีอยู่เต็มหัวใจแต่ท่านให้เราไม่ได้ความดีนี้ต้องทำกันเองต้องสร้างขึ้นมาซื้อไม่ได้ไม่มีขาที่ตามล้านสรรพสินค้าต่าง ความดีนี้มีอยู่ที่วัดเพราะที่วัดนี้จะเป็นที่ให้ทำให้เราได้มาทำความดีกันวันนี้เราก็ได้มาทาความดีหลายอย่างเช่นเราทำบุญให้ทานเราก็ทำความดีเราตั้งอยู่ในความสงบกายวาจาเราก็มีศีลตอนนี้เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดโระเวณีไม่ได้พูดปดมดเท็จไม่ได้เสพสุรายาหมอง ตอนนี้เราก็มีศีลแล้วไม่ว่าจะสมาทานหรือไม่สมาทานก็ตามไม่ว่าจะเป็นวันพระหรือไม่วันพระก็ตามไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ความสงบของกายและวาจาเท่านั้นอย่างเช่นตอนนี้กายและวาจาของเราสงบเรียกว่าเรามีศีลแล้วส่วนความสงบของจิตใจเราก็มีความสงบอยู่เพราะเวลาที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็ไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องอื่น ไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องที่สร้างความทุกข์สร้างความฟุ้งซ่านให้กับเราตอนนี้เราลืมเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆไปเพราะเรามีสติอยู่กับการฟังธรรมเสียงแห่งธรรมนี้ก็จะเข้าไปร่มจิตใจให้สงบให้เย็นให้มีความสุขนี่ก็คือบุญอีกอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวเวลาที่พระสงฆ์อาทุน ส่วนอนุสนุอนุโมทนาให้พรเราก็กวดน้ำอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นมาอีกเราคิดถ่อมเนื้อถ่อมตัวไม่คิดอวดเก่งอวดฉลาดเราก็เป็นเราก็มีความสุขเราก็ได้บุญนี่แหละคือการฝึกฝนให้จิตใจของเราคิดดีด้วยการทำบุญชนิดต่างๆไปเรื่อยๆ เมื่อเราทําไปเรื่อยๆแล้วจะติดเป็นนิสัยไปจะอยากจะทําบุญอยู่เสมอเพราะเวลาทำได้ทําบุญแล้วมีความสุขใจซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการได้สิ่งของต่างๆมาหรือได้ไปเที่ยวได้ไปสัมผัสได้ไปดื่มได้ไปรับป ท, ทานสิ่งของต่างๆมาเพราะผลมีความแตกต่างกัน ความสุขทางใจนี้มีแต่ความอิ่มความพอแต่ความสุขทางอื่นนั้นจะมีแต่ความหิวความอยากเพิ่มขึ้นใครให้เราสิ่งของชิ้นหนึ่งแล้วพอทาวหน้าเราเจอเขาเราก็อยากจะให้เขาให้เราอีกมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราทำบุญแล้วเราจะไม่อยากจะได้อะไรมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทำบุญได้เต็มที่แล้วจะไม่อยากได้อะไรเลย เพราะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆเพราะเขาไม่ได้ทำให้ใจของเรามีความอิ่มแต่กลับจะทาให้ใจของเรามีความหิวถ้ามีความหิวแล้วมันก็ไม่มีความสุขต้องมีความอิ่มถ้ามีความอิ่มแล้วจะมีความสุขมีความพอ <c oughs> นี่แหละที่เป็นเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นอย่างนี้ ที่พวกเราควรที่จะหมั่นทำกันให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลช่วงเข้าพรรษานี้ตลอดระยะเวลาสามเดือนควรจะตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะทำบุญมากขึ้นเป็นพิเศษถ้าเราไม่ตั้งจิตอธิษฐานปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์บางทีเราก็อาจจะไม่ได้ทำ แต่ถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เป็นการบังคับตัวเราไปในตัวว่าเราต้องทำเพราะถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานแล้วเราก็ต้องมีสัจจะด้วยคือต้องมีความจริงใจไม่ได้ตั้งไปเฉยๆถ้าตั้งไปเฉยๆไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจก็อย่าไปตั้งให้เสียเวลาตั้งตั้งอธิษฐานแล้วต้องตั้งสัจจะด้วยเช่นเดือนนี้ในพรรตนี้จะมาทาบุญที่วัดทุกอาทิตย์ จะเป็นวันเสาร์ก็ได้เป็นวันอาทิตย์ก็ได้เป็นวันพระก็ได้แล้วแต่จะสะดวกตลอดทั้งปัญษานี้จะละเว้นอบายามุขต่างๆเช่นสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืน <c oughs> จะถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดและจะรักษาศีลแปในวันในวันธรรมวรนวะนในวันพระเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องสัจจะต้องตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นมาเราถึงจะทาได้ เพราถ้าเราไม่ตั้งสัจจะแล้วเดี๋ยวเราลืมได้เช่นเราเกิดมีธุระอย่างอื่นมาเราก็จะต้องถูกธุระต่างๆมาเบียดเอาเวลาไปแต่ถ้าเราตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แล้วถึงแม้จะมีธุระอะไรเข้ามาเราก็จะต้องจัดการให้มันลงตัวถ้าเราต้องเลือกระหว่างการทำตามที่เราตั้งใจไว้กับธุระอื่นเราก็จะปัดธุระอื่นไปก่อน เราจะให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ถ้าเราได้ตั้งสัจจะไว้แล้วต่อไปไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะสามารถทำได้สำเร็จรุ่งรงไปได้ดีแต่ถ้าเราไม่มีสัจจะอธิษฐานแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรเรามักจะพบกับความล้มเหลวเสมอพอเราเจออะไรยากลาบากหน่อยเราก็ถอยแล้ว พอมีธุระมีเรื่องอื่นมามาเบียดแล้วเราก็ไปกับเรื่องธุระแล้วไม่ทำในสิ่งที่เราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้มีความสุขและความเจริญมากยิ่งขึ้นไปได้เลยเราก็จะอยู่ในระดับเดิมๆนี้ไปเรื่อยๆ เ, เป็นอย่างนี้มากี่ภพกี่ชาติก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเราต้องการพัฒนาจิตใจของเราให้เจริญให้มีความสุขจนถึงระดับของพ่อพระพุทธเจ้าของพระอราหันต์เราก็ต้องตั้งศัจดิอธิษฐานว่าจะทําบุญให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตจะหาไม่รับรองได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะสามารถพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้ไปสู่จุดสูงสุดได้อย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการบำเพ็ญกุศลเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษในช่วงเข้าพรรษาตลอดระยะเวลาสาเดือนนี้ให้ท่านได้นำไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอ